เมื่อเธอไม่มีเรื่องที่พระตถาคตสอนกับพายะนี้เป็นมรรควิธีที่ลัดสั้นง่ายซึ่งเมื่อภายะได้ฟังแล้วก็สําเร็จเป็นพระละหันในทันทีเพราะฉะนั้นมรรควิธีตรงนี้จึงเป็นมรรควิธีที่พระองค์ได้ใช้บอกสอนกับ